เริญรท่า น, านผู้ทศสนิกชนผู้มีจิตฝ่ายบญฝ่ายขุศล ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าเพราะเป็นคำสอนของผู้รู้จรงิง <ram> <ram> เห็นจรงิงเป็นโลกาวิทูผู้รู้โลกคือพระพุทธเจา้าทรงรู้เหตุรู้ผลรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะ <ram at ica> รู้ประมาณมการรู้สิ่งเหล่านี้จะทำให้สามารถปฏิบัติกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ได้ถูกต้องนำมาซึ่งผลที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุขและความเจริญความปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆ ถ้าไม่รู้ก็จะมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องมีแต่ความทุกข์ไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเสียทีดังนั้นการเข้าหาพระพุทธเจ้าเข้าหาพระธรรมคำสอนจึงเป็นการกระทาของคนที่ฉลาด คนที่ฉลาดนั้นก็คือคนที่ยังรู้ว่าตนเองยังโงอ่อยู่ยังไม่ฉลาดพอส่วนคนโง่ก็คือคนที่คิดว่าตนเองฉลาดแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าหาพระาศาสนาหาพระธรรมคาสอนเช่นพวกที่ได้ศึกษาวิชาความรู้ทางโลก<ม>ได้ปริญญาหลายระดับด้วยกัน ปริญญาตรีก็ดีปริญญาโทก็ดีตริญญาเอกก็ดีพวกนี้มักจะคิดว่าเขาฉลาดแล้วเขารู้แล้วแต่ทาไมชีวิตของเขายังต้องเวียนว่ายอยู่กับความทุกข์ความวุ่นวายใจกับปัญหาต่างๆไม่รู้จักจบจากสิน้นนั่นเป็นเพราะความรู้ทางโลกไม่สามารถดับความทุกข์ ดับปัญหาต่างๆได้มีแต่ความรู้ทางภาษาศาสนาเท่านั้นที่จะดับได้ดังนั้นถึงแม้เราจะได้ศึกษาจนถึงจบปริญญาเอกแล้วก็ตามอย่าไปคิดว่าเราฉลาดถ้าเรายังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่ยังกินไม่ได้นอนไม่หลับยังห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ ยังกลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้อยู่แสดงว่าเรายังไม่ฉลาดพอเรายังไม่ได้เรียนวิชาที่สำคัญจริงๆที่จะมาแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในภายในใจของเราและไม่มีความรู้ที่ไหนในโลกนี้ที่จะแก้ปัญหาในใจของเราได้นอกจากคำสอน ของพระพุทธเจ้าความรู้ที่ได้จากพระพุทธเจ้านี่แหละจะช่วยเราดับความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆได้ดับความหวาดกลัวดับความดับความไม่สบายอกไม่สบายใจได้จึงขอให้เราจงหมั่นเข้าวัดกันเมื่อเข้าวัดแล้วก็อย่าเพียงแต่ จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็กลับบ้านไปเพราะการเข้าวัดแบบนั้นยังไม่เข้าไม่ถึงวัดนั่นเองไปไปที่วัดแต่ยังไปไม่ถึงวัดเพราะหัวใจของวัดนี้ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่การจุดธูปเทียนกราบพระแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้ นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนั่นเป็นความเชื่อแบบงม ง, งายการเข้าวัดที่แท้จริงต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้ามาเพื่อศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเมื่อฟังแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพราะเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ปรากฏผลขึ้นมาในจิตในใจทำให้ใจสบายขึ้น ความทุกข์ความวุ่นวายใจน้อยลงไปจนหมดสิ้นไปได้มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของความทุกข์ใจดังนั้นเมื่อเราเข้าวัดแล้วควรจะเข้าให้ถูกอย่าไปเข้าแบบไปเที่ยวไปดูนั่นดูนี่แล้วก็ไม่ได้ความรู้ ความชลาติดตัวกลับไปเลยอย่างนี้มาเสียไปวัดเสียเที่ยวเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรไปวัดแล้วต้องหาธรรมะต้องได้ยินได้ฟังธรรมะต้องได้สนทนาธรรม <c oughs> เพราะนี่แหละเป็นวิธีสร้างความมงคลให้กับชีวิตของเราดังในมงคลละสูตรที่ได้ทรงตรัสสอนไว้ว่า กาเลนะธรมรมะสวนณัมกาเลนะธรมะธรมะสะธรรมะสากัจฉาเอตมังกัลลุมตตมังการได้ยินได้ฟังธรรมตามการตามเวลาการได้สนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ประโยชน์หลายประการด้วยกันที่เราจะไม่ได้จากการฟังสิ่งอื่น เช่นหนึ่งเราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. สิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นยิ่งขึ้นไป 3. จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง 4. ทํทำจิตใจให้ผ่องใสมีความสุข นี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจากการสนทนาธรรมการฟังอย่างอื่นหรือสนทนาเรื่องอื่นไม่ได้ทำให้จิตใจสงบแต่กลับจะทำให้วุ่นวายกลับให้มีความอยากมากยิ่งขึ้นดังนั้นเราต้องพยายามบังคับตัวเราเอง ให้ฟังเทศฟังธรรมให้ศึกษาพรอธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆท่านบอกว่าตามการตามเวลาก็หมายถึงว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งก็ควรจะฟังเทศฟังธรรมสักหนึ่งครั้งทรงบัญญัติวันพระวันธรรมมัสวาณะไว้ทุกๆุอาทิตย์เพื่อจะให้พุทธศาสนิกชน ได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกแล้วหันมาศึกษาพระธรรมคาสอนฟังเทศฟังธรรมกันถ้าไม่เช่นนั้นแล้วจิตใจจะถูกความหลงซึ่งเปรียบเหมือนกับความมืดครอบงาจิตใจทำให้หลงผิดเห็นผิดเป็นชอบคือมีมิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดความอยากในสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ให้กับตนเอง นี่คือเรื่องของการเข้าวัดที่แท้จริงต้องเข้าฟังเทศฟังธรรมต้องเข้าหาพระธรรมคำสอนเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วเราจะได้นำในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาปฏิบัติกันเช่นเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ยินเรื่องการทำบุญให้ทานเรื่องรักษาศิงเรื่องการเจริญสมถะ ภาวนาการเจริญวิปัสนาภาวนาเรื่องของการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องเหล่านี้ในทางโลกเขาไม่สนใจกันเขาคิดว่าเป็นเรื่องง ม, มงายเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเพราะเขาไม่สามารถเห็นได้ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนื่องจากใจของเขานั้นมืดบอด ด้วยโมหะความหลงเห็นผิดเป็นชอบเขาเห็นเพียงแต่เครื่องเดียวของชีวิตของเขาก็คือเห็นเพียงร่างกายแต่ไม่เห็นจิตใจไม่รู้ว่าชีวิตของตอนนั้นประกอบขึ้นด้วยสองส่วนด้วยกันคือกายและใจไม่รู้ว่าใจนี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่ตายหลังจากที่ร่างกายแตกดับไปแล้ว ใจผู้เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ต้องไปรับผลที่ได้สั่งร่างกายให้ทำไว้ถ้าสั่งให้ร่างกายไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเทศเสพสุรายาเมาเมื่อร่างกายตายไป ใจก็ต้องไปติดคุกติดตารางคือไปเกิดในอบายนั่นเองไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างซึ่งเป็นเหมือนกับคุกของใจคุกตารางของใจแต่ถ้าใจได้สั่งร่างกายให้ทำความดีเช่นให้ทำบุญทำทานให้ปฏิบัติธรรม ให้นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ให้เจริญปัญญาให้มีความเมตตากรุณามีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกะตะเวทีเมื่อตายไปใจก็จะได้ไปรับรางวัลได้ไปเกิดเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างหรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิม มีฐานะที่ดีกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาที่ฉลาดกว่าเดิมมีอายุที่ยืนยาวนานกว่าเดิมมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงกว่าเดิมและมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเดิมเพราะใจได้สะสมบุญบารมี ไว้นั่นเองซึ่งเป็นเหมือนกับเงินที่ฝากไว้ในธนาคารฝากเงินไว้ในธนาคารได้มากเพียงไรก็จะได้มีเงินใช้ในอนาคตมากขึ้นเพียงนั้นถ้าไม่ฝากเลยแล้วกลับไปกู้หนี้ยืมสินก็จะไม่มีเงินทองใช้ในอนาคตก็จะต้องถูกจับไปติดคุกติดตารางไปใช้หนี้ที่ได้สร้างไว้ นั่นก็คือที่ไปของใจหลังจากที่แยกทางกับร่างกายไปแล้วแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนในโลกมองไม่เห็นกันจะเห็นได้ก็ต้องปฏิบัติธ ร, รมนั่งสมาธิจเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาถึงจะปรากฏมีตาในาขึ้นมาปรากฏมีตาทิพขึ้นมาทำให้เห็นร่างทำให้เห็นใจ ซึ่งเป็นกายทิพย์ได้เมื่อเห็นใจแล้วก็จะเข้าใจว่าทำไมเราจึงต้องทำความดีทำไมเราจึงต้องละบาปกันทำไมเราจึงต้องศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้จักการทำจิตใจของเราให้สุขให้เจริญให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถศึกษาได้ด้วยพระองค์เองจนสามารถทำให้พระไทยของพระองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไปได้หลังจากนั้นก็ทรงมีพระเมตตากรุณานำเอาสิ่งที่พระองค์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุถึงมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลก เพื่อสัตว์โลกจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เราฟังเทศฟังธรรมกันและเมื่อเราได้ฟังอยู่บ่อยๆเราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นเมื่อก่อนเราฟังใหม่ๆเราอาจจะไม่เข้าใจว่านารก เป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรเพราะหาในโลกนี้ก็หาไม่เจอนั่งเรือไปสุดขอบทะเลขอบฟ้าก็จะไม่เจอนรกไม่เจอสวรรค์นั่งเครื่องบินไปรอบโลกก็จะไม่เจอนั่งจรวดออกไปนอกโลกก็จะไม่เจอเหมือนกันเพราะนรกและสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกแต่อยู่ภายในใจของเราเวลาที่ใจเรามีความสุข ตอนนั้นใจเราได้ไปถึงสวรรค์แล้วเวลาที่ใจเรามีความทุกข์ตอนนั้นใจเราได้ไปถึงนรกแล้วนี่แหละคือความหมายของนรกและสวรรค์ไม่ได้เป็นสถานที่แต่จะเป็นเป็นความรู้สึกภายในใจใจมีความสุขตอนนั้นก็เป็นสวรรค์ใจมีความทุกข์ตอนนั้นก็เป็นนรก และสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขก็คือการทำความดีดังที่ได้แสดงไว้แล้วเช่นการทำบุญให้ทานการมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูกะตะเวทีการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบการเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของสิ่งต่างๆว่า เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนเมื่อเห็นแล้วจะได้ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์กับอะไรทั้งสิ้นนี่คืออนิสงส์ที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมจะทําให้เราเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราไม่เข้าใจ เพราะหลังจากที่เราฟังบ่อยๆฟังซ้าๆอยู่เรื่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็จะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริง <Yeah. S 1> เมื่อเราได้ฟังอย่างนี้แล้ว ใจของเราก็จะมีความสงบมีความสุข <c oughs> เพราะขณะที่ฟังเทศฟังธรรมใจของเราไม่มีโอกาสคิดไปทางเรื่องของกิเลสไม่ได้คิดไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ไปคิดวิตกหวาดกลัว <c oughs> กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ในขณะนั้นใจอยู่กับพระธรรมคำสอนที่จะกรองใจให้มีความสงบ มีความสบายนี่แลคือความเป็นสิริมงคลที่แท้จริงอยู่ที่ใจที่สงบที่ผ่องใสที่มีความสุขที่มีความเห็นชอบ <c oughs> <c oughs> เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่กองสมบัติเข้าของเงินทองมีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทำให้จิตใจสงบไม่ได้ทำให้จิตใจผ่องใส ไม่ได้ทำให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบแต่กลับจะให้มีความหลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อมีสมบัติมากขึ้นก็จะหลงคิดว่าเป็นสมบัติของตนเองจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าสักวันหนึ่งสมบัติที่มีอยู่จะต้องให้ผู้อื่นไปหมดจะต้องทิ้งไปหมดเพราะเวลาตายไปเอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียว เอาไปได้แต่ความดีความชั่วบุญหรือบาปที่ได้ทำไว้เท่านั้นที่จะติดไปกับจิตกับใจ <Yeah. S 1> พระพุทธเจ้าจึงนงสอนให้พวกเราอย่าหลงกับกองเงินกองทองมีเงินมากเกินไปไม่ดีอยาเก็บเอาไว้เอาเก็บไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่ต้องการจะใช้มีเหลือให้เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญเสีย เพราะเป็นเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารของภพหน้าชาติน้านั่นเองพอเราไปเกิดชาติน่าก็จะได้ไปเกิดเป็นลูกของเศรษฐีลูกของพระเจ้าแผ่นดินเกิดบนกองเงินกองทองไม่ต้องไปลำบากลำบนหาเงินหาทองเพราะเราหาไว้แล้วในชาตินี้นั่นเองเมื่อมีแล้วอย่าเก็บไว้ หรืออย่าเอาไปใช้กับสิ่งที่จะทำลายจิตใจของตนเองเช่น<ม>ใช้กับของฟุ่มเฟือยทั้งหลาย<ม>เป็นการทำลายจิตใจเพราะเป็นการสร้างกิเลสคือความโลภให้มีมากขึ้นสร้างความโกรธให้มีมากขึ้นสร้างความหลงให้มีมากขึ้นเพราะเวลาเราซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วเราจะอยากซื้ออยู่เรื่อยๆวันนี้ออกไปซื้อของมา ทุกนี้ไปเดินเที่ยวเห็นของใหม่ก็อยากจะได้อีกทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อมาเลยแต่เห็นแล้วอดอยากไม่ได้เมื่อมีเงินทองก็คิดว่าเก็บไว้ทำไมเงินทองเอามาซื้อของเหล่านี้ดีกว่าแต่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีผลอย่างไรกับใจของตนเองทำให้จิตใจสงบ มีความสบายมีความอิ่มมากขึ้นหรือเปล่าไม่เคยคิดเลยแต่ความจริงแล้วเมื่อซื้อของฟุ่มเฟือยแล้วทำให้เรามีความหิวมากขึ้นอยากมากขึ้นอยากจะได้สิ่งอย่างอื่นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีที่เก็บในบ้านดูรองเท้าของตัวเราเองดูซิว่ามีกี่คู่แล้วเท้าเรามีเพียงคู่เดียวเท่านั้น เวลาเราใส่รองเท้าเราใส่ได้ทีละกี่คู่เสื้อผ้าเราใส่ได้ทีละกี่ชุดเรามีเต็มตู้จนต้องไปหาซื้อตู้มาใหม่แล้วก็ต้องไปสร้างที่เก็บใหม่เพราะมันไม่พอเก็บแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของตนแต่มีแต่สร้างความกังวลสร้างภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษา เวลาจะต้องย้ายบ้านสักทีหนึ่งถึงจะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนต้องย้าย ส, สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปแล้วก็ไม่ได้ใช้มันเก็บมันไว้อย่างนั้นเองกลายเป็นกลายเป็นยางเฝ้าสมบัติไปแทนที่จะให้สมบัติรับใช้เราให้เรามีความสุขมีความสบายเรากลับกลายเป็นทาสของสมบัติต้องคอยรับใช้สมบัติ ต้องคอยเฝ้าคอยดูแลทรัพย์สมบัติเวลาที่จะต้องจากทรัพย์สมบัติไปก็เศร้าโศกเสียใจอะไรเอาอ่อนตายไปแล้วก็ไม่มีสมบัติรออยู่ข้างหน้าเช่นมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพระพุทธการมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งมีมิจฉาทิฏฐิคือมีไม่เชื่อในเรื่องตายแล้วไปเกิดใหม่ จึงไม่ชอบทําบุญไม่ชอบรักษาศีลมีเงินมากน้อยเพียงไรก็ไม่ให้ใครแม้แต่ลูกหลานก็ไม่ยอมให้เอาไปขุดดินฝังไว้ในดินหมดเวลาตายไปเพราะความห่วงใยความเสียดายในสมบัติของตนจึงทําให้กลับมาเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนก็พยายามคุยกับลูกจะพยายามจะบอกลูกว่าตนเองเป็นพ่อ แต่พูดกันไม่รู้เรื่องเพราะคนกับหมาคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันไม่ได้ลูกก็ไม่รู้ว่าเป็นพ่อแล้วลูกก็เกลียดหมาตัวนี้ด้วยก็ชอบตีมันชอบทําลายชอบกานแกล้งมันโชคดีที่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาเหตุข้าวทรงเห็นว่าหมาตัวนี้เป็นเศรษฐีเป็นพ่อของคนในบ้านนี้เอง จึเลยบอกให้คนในบ้านทราบว่าหมาตัวนี้เป็นพ่อของเธอนะถ้าเธออยากจะรู้ว่าจริงไม่จริงลองให้มันไปขุดสมบัติที่พ่อเธอฝังไวส้สิบอกให้มันไปหาดูพอบอกมันท่านั้นมันก็ไปขุดสมบัติต่างๆที่เศรษฐีได้คอยฝังไวมาให้ลูกๆดูลูกๆ ก, ก, ก็เลยเชื่อว่าเป็นพ่อจริงๆ นี่พเพราะว่าพ่อไม่มีไม่มีความเห็นถูกนั่นเองมีมิจฉาทิฏฐิพราะไม่เคยเข้าวัดไม่ชอบเข้าวัดไม่ชอบฟังเทศฟังธรรมไม่ชอบรักษาศีลไม่ชอบทำบุญให้ทานคิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเป็นเรื่องเพ้อเจ้อเป็นเพื่อเป็นเรื่องหลอกที่จะเอาเงินของของเขาไป เขาก็เลยไม่ยอมทำตามแล้วเมื่อตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นสุนัขเป็นหมาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีเล่ามาในในพระไตรปิฎกดังนั้นจึงขอให้เราจงพิจารณาไว้ให้ดีว่าสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นสิ่งที่พิสูน์ได้ เพียงแต่ว่าเราจะยอมพิสูจน์หรือไม่เพราะการพิสูจน์นั้นต้องอยู่ที่การปฏิบัติของเราเราต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นสอนสอนให้สละสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเราก็ต้องสละอย่าไปเสียดายเก็บเอาไว้เท่าที่จำเป็นเท่าที่สมควรเราต้องท่านสอนให้เรารักษาศีล เราก็ต้องรักษาศีลสอนให้เราสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเราก็ต้องทำให้ได้สอนให้เราเจะริญปัญญาอยู่เสมอว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดภาาจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากการเกิดล่วงพ้นจากการแก่การเจ็บการตาย การพัาดพลาดจากกันไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติแล้วต่อไปใจของเราก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมปรากฏขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมมีตาทิศทำให้เราเห็นใจของเราเองให้เรารู้ว่าใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ใจยังต้องไปเวียนไหวาตายเกิดอีกนี่คือการเข้าวัดมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสั่งสอนเช่นทำบุญให้ทานรักษาศีลฝึกสมาธิเจริญปัญญา ถ้าเราทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจะมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นได้มากขึ้นไปเรื่อยๆจะเห็นเหตุคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับจิตใจของเราจะเห็นธรรมะ คือวิธีที่จะดับกิเลสให้หมดสิ้นไปจา ก, กจิตจากใจได้เกิดขึ้นจากการศึกษาและการปฏิบัติเท่านั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอพรจากพระพุทธเจ้าขอให้เรามีความสุขมีความเจริญขอให้เราไม่มีความทุกข์ไม่มีความเสื่อมเสียขอไปจนมันตายก็ขอไม่ได้ แต่ถ้าเราศึกษาแล้วนำสิ่งที่ศึกษานี้มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วรับรองได้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆจะเบาบางลงไปจะหมดสิ้นไปต่อไปเราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ทุกข์ไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นจะตาย จะจากใครไปหรือใครจะจากเราไปจะไม่ทำให้เรามีความรู้สึกหวั่นไหวไม่ทำให้เรารู้สึกเศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดนี่คืออนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมจากการนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปประพฤติปฏิบัติเราจึงควรเข้าวัดกันอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งถ้าไม่ได้เข้าวัดก็เอาวัดไปที่บ้านเปิดธรรมะฟังที่บ้านเปิดหนังสือธรรมะอ่านที่บ้านถ้าอยากจะทําบุญทําทานก็หากระปุกหากระป๋องแล้วเอาเงินทองที่เราจะทําบุญทําทานใส่ไว้ในกระป๋องก่อนพอเวลามีเวลาไปวัดก็นําเอาไปถวายวัดก็ได้ นี่เราสามารถทำได้อยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่จำเป็นต้องมาวัดเสมอไปมาวัดไม่ได้ก็เอาวัดไปอยู่ที่บ้านเราเอาวัดไปอยู่ที่ใจของเราด้วยการคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลคือความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปจึงขอฝากเรื่องการเข้าวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนให้ท่านได้นำไปพินิพิจาณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสงควรแก่เวลาจึงขอุติไหวเพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนรั ย, รยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยและท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเอ